ทำสมาที่นั่งหลับตาให้มันสงบมันสงบเพราตาไม่เห็นอันนั้นสงบแบบไม่อยากสงบสงบอย่างที่ไม่รู้ไม่อยากสงบก็ว่าได้เพราะาเร า, าไม่อยากเห็นเนี่ยแล้วตาจะมีทำไมถ้าไม่อยากเห็นเนาะหูจะมีทำไมถ้าไม่อยากฟังแล้วมันฝืนธรรมชาติมาตาต้องสำหรับดูหูต้องสำหรับฟังดีชัว่วต้องรู้จักคัดเลือกเอาให้มันได้ ถ้าเราไม่คัดเลือกเอามาใชใ้เป็นประโยชน์กับเราอั น, นั้นก็ยังเป็นเพียงผู้ทุศนถ้าคนจริงๆมีสติปัญญาจริงๆเราเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจเอามาใช้กับชีวิตของเราเพราะชีวิตเซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ชีวิตเป็นสิ่งสําคัญชีวิต ม, มันไม่คือว่าทุกข์สิ่งที่มันทุกข์คือกิเลสนเองกิเลสที่แหละมันมันบทุกข์เพะกิเลสมันว่าเ อ, าเอง มั่วสุกเขากีดกันมาวิงเองคิว่าให้ดูลงที่ใจแต่ไม่ได้ดูนะ่ะคันทับไปดูไปเท่งให้ใจแล้วมันจะมึนหรือสาดขึ้นมาเราว่าเท่งเกินไปแล้วนะตึงเกินไปตึงเกินไปก็ไม่ดีย้อนเกินไปก็ไม่ดีเพียงเรารู้สึกเบาๆพูดกับเพื่อนแล้วก็พูดให้รู้สึกว่าเราจะพูดเรื่องนี้พูดจบเรื่องกับเสาร์กันคนอื่นแซงขึ้นพูดระบบฟังเขาได้ เนี่ยว่าเรามีหูฟังไว้เต็มบัดนี้คนอื่นมาทําที่มันไม่น่าดูตาสําหรับดูแล้วก็ดูใจเราเนี่ยเขาทําอย่างนั้นเขาะเขาไม่รู้เขาจึงทํากระให้อภัยเขาบ้างอันนี้เมื่อเขาทํานี่ยทาไม่ดีอ่าเขาไม่รู้เขาจึงทําพูดไม่ดีเขาไม่รู้เขาจึงพูดดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่ทานสูงสุดนั่นคือให้อภัยเมื่อเราเห็นสภาพภาวะเขาไม่รู้ ก็ต้องให้อภัยเขาบ้างแนะนําสอนเขาบ้างอันนี้แหละเอาวิยรย์พระจึงไปพูดสอนอคนถ้าเราสอนเขาไม่ได้ก็เราจะเป็นพระได้ที่ไหนก็เป็นคนธรรมดาเลยวะคนแข้งขาหน้าตาเหมยเท้าเป็คนคุตใจมันโหดร้ายใจมันเป็นศัตรักศาสตร์เดมนุษยสาเปตโตม น, นโมนุษย์สาเนยเยโกมนุษสาศัรัย์ามเนี่ยท่านพูดเอาไว้ ไม่ใช่ว่าสัตว์เหล่านั้นแ้วคนที่พูดอย่างนี้อาจจะมาพูดเลื่อนิพวกเราก็ต้องเข้าใจคนพูดอีวิตาทิพย์ธรรมตาทิพไม่ได้นั่งอยู่ที่นี่มองลูกไปเห็นตับไตสตปอดคนนั้นคนนี้อันนั้นเราคิดขึ้นมาเองตาปกติคนคิดของผู้ทุกข์ทนมารจะคิดอย่างนั้นธรรตาทิพยเนี่ยเราต้องหมายถึงการมองเห็นสภาพวมเป็นอยู่ของคนและสั รู้เท็จกว่าเช่เดียวกันเรื่องอิที่ปฏิหารทำสมาธิทำวิปัสนาอัานนั้นเป็นทางเข้าใจของปุถุชนมันนั้ไม่ได้เข้าใจแบบที่รพระพุทธเจ้าสอนเมื่อเขาจ้องของันตะยกเขาจ้องขันตตาเขายังจยกเมื่อยกขึ้นมาแาล้าเาต่าค น, นักย่องแล้กวก็เหมือนกันใช้หวังอะไรต่างๆเขาเมายกย่องเลเยะที่ที่เราเขาเยกแลา้วเแวไป แต่เราต้องอยู่สภาพเดิมของอเราคนมันบายกยองเรามันป็นเพียงสมมติเขาจะเอาอะไรให้เราบ้างที่เขาต้องการอยากได้อะไรจากเราเขาจะบายกยองเราไนอย่างยพระพุทธเจ้าบอกจนสภาพเดิมจิตใจของคนมันมั่นคงทารวันไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปรผันยิน่งอยู่สภาพนี้มันมีสภาพนี้ในคนทุกคน อาตมาจิต้ารับหลอกได้ว่าถ้าหากเรายนะังไม่รู้เร่องนี้นะจวนจับรลมหายใจทุกคนจนนะไม่มเร่งนี้จ้าประจุทับเพี้ยนทางเนี้นะไม่เจ้าทับไปเลยรับหลองได้ทุกคนจะประสุจัสิ่งที่เราไม่ต้องกานมันเอะ แต่เราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันมีประโยชน์จักเราหรอไกับเราแต่เราไม่รู้สิ่งนั้นแหละมีค่าคุณมากที่สุดแต่เราไม่รู้สิ่งนั้นมีค่ามีคุณมากอาตมาก็ไม่รู้เพียงทาคนรู้สึกตัวทํำคนรู้สึกใจแเวลาได้จนถึงถ้าเรารู้สึกการเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจยกชุดเขาจะบอจักจูปัญญา หลอกโสดาบุตรคนเขาได้ถ้าโสดาบังบุตคนเลือกตำลาเขาพูดแบบมือมครัวหัวเมียตาตาพีนีพเพราะจัวด้วยเนี่ยมันจะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางเมื่อเราจะบทชหายใจนี้และทุกคน น, ค น, น, นึ่ง น, นคนอาจจะมาผูดให้ผูดให้ผมจินใจว่าไม่เคยได้มาทางนี้มาก็ต้องพูดคนกินเส้ ดังนั้นเรา i ึ e ษ, ษาอะไร้ถ้มันมีไว้ในเราเมื่อเราศึกษามีไว้ในเราแล้วเราจะเอามันใช้เ o ลาเราพอได้เมื่อเราไม่มียังไม่เป็นจะเอามันใช้ไม่ได้จะจำเป็นต้องเป็นจดต้องเปลี่นจะหมดลมหายใจในหนอที่สุดยกเลิก ไ, ได้ถ้าเป็เราคนมีกิเลสจักเกิดทีคนใดท ม, มีกิเลสจะได้เปนจ้าอทอดกิเลสม่มาไหน ก็ไม่รู้อันนี้เนนมก็จทุกกัทุกเนื้อุกเยาเมื่อไเจอจุดนั้นแลวกับแรวัดไม่ต้องเกิดอะไรแล้วท่านบอกจังหวะข้าควทุกมีแค่นี้หมดศึกษาด้วยจักทุกศึกษาด้วจักเขียนให้ชัดเจนศึกษาวิธีดับทุกท่านสอนแตเราไม่ศึกษาใหญศึกษามรู้ ได้ทำงานได้เ น, น, นมากม า, า, า, า, า, า, าศึกษาูิเอาคิดเอา่เอาเ้เอาถาปดาักันไปจนเราไม่ได้ศึกษาหาของจริงศึกษาหาของจริงศึกษาเรื่องซิซไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้อยู่ที่นี่จำนนหลายคนมีคนเอาเงินมาให้อยากมีเงินนะ้ำแต่น้ำจะเอาไปถ้าวเอาไหมไม่เอาเลยเจอเราวควรศึกษาเรื่องจริงจริงที่มานอรฟัง วิธีทำมันหนักแต่เม่ต้องเราต้องถามใครอันเนี้อาตมาทามาแล้วเลยพุโทโธก็มาก็าเคยทำมาสมอาอัลลัง ก, ก, ง ก, ง ก, กาาา์ก็ทำมานักมีสหวิสาก็ทบมาพรงยุทก็ทำมาอาณาตารย์สติจะทำมามันไม่จกิดกขมุสแต่คนอืนอ่นอาจจะรู้แต่คนทันม้อยู่แต่ไม่รู้เสมเมื่อมาทำก็รู้สึกดีเลย เคลื่อนไหนครู้จิตใจมันคิดครู้พิษตาครู้หายใจครู้เลื่อนกลางเลื่อนหัวครู้นเคื่อนรู้อันนี้มันมากขึ้นมากขึ้นมากจนไม่้จงหนีไปทนีไปรเคื่อนรู้มันได้สกุลแล้วเหมือนเรียกวิญญาณตัญยารู้ศาสนาก็ไปรู้แจ้งรู้จิตมั่นเองรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งสภาพภาวะของจิตใจมันเลกนมันคิด รู้แจ้งรู้เจอของจงมีเพียงแค่สิ่งที่าจินั้นเราก็จะมาพูดกันนะมีมิติกาเคลื่อนไหวใมัยมีมิติเทนิสสีแดงผีธดาอันนั้นจริงอยู่แต่สิ่งที่เราเห็นนี่ยมันเป็นของไม่จริงคำว่าจริงอยู่เนี่ยมาจงมันจริงเพราะว่ากิเลนมาหลอกเราอย่างที่พูดแล้วที่จิตใจของคนเนี่ย ลอกแยกออกอกลับได้ไวจุดมีน้ำไขในตนเราท่านควรบังคับกวนให้จิตหมุนมาไปทางข้้นดีหมุนไปทางข้านกีเข้ากีตกีก้เลือยเมื่อไงทที่มีมาจากี้จากมาให้สุดทนที่มีว่าสุดคนรู้สึกเราเองเราพอไมไ่รู้จัวเร า, เาไปเห็นมีมิตอัน น, นั้นก็ลืมจัวเราหรือเราออกมาที่นี่ก็ต่คนจัวลืมจิตลืกใจของเราทานเอง เมื่อเรารู้สึกจีรู้สึกใ จ, จอยู่อย่างนี้นิดเดล้วไม่หลอกหลอกเราไมได้เมื่อทำที่นี่ย่ทำยู่แล้วมันมันจะหนีไปที่ใดเมื่อเรารู้สึกเราอะไรมันลุนกขวัญไป่ได้แล้ว่อใช้แจ้งรู้จริงๆใช้แจ้งพอเห็นสภาวิภาะจิตใจมันล้กขึ้นเนี่ยใช้จิตม่จินรภาวะเดียวร่วมกับภาวะอะไรจ่งนั้นน่ยมันไม่ถึ ง, งะอะ ส, อนนสองจิต เรื่อตงแตแล้วคือไม่ไปติดจิงที่สมมุติขึ้นมาและไม่ไปติดจริงที่เขาพูดโดยของไม่จริงแต่เขาพูดจยนั้นจะให้อภัยเขาบ้างก็เขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาจริงทําเขาไม่รู้เขาจึงพูดสมมติเอาติดจริงเนี่ยบางที่ลูกหลานเราเคยทำผิดจะไปโกหกเขาเขาไม่รู้เขาจึงทําถ้าเขารู้เขาจะทำมาทำไมบางที่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันคนเดียวกันทะเลาะกัน คะลาะกันดีไหมไม่ดีคัไมไลือกท่จะไปเทะเลาะทำไมเมื่อกรไมัรู้ล้ลพูดได้อย่างที่บ้านอาตมาใจเมือารมณไม่ดีหรอลอารมณ์ขุ่นเม่เแบบว่าทางทางพาะพาหมณ์นี้านนั้นจะมานว่าใจหายใจโกรลูกหลานมากขาดีใครมาก็าดีจะมาเข้ากูกูใจหายกูดใจไม่ดีโทษได้เนี่ยถ้าทษมใจแค่ใจ เ, เลี้ยวิงกระโหลกแผลง เราต้องการว่าคนคนมดีเม่อโอการไม่ตอ้องการจะไปพูดทาไมกระที่พระงกระราะให้ใจดีขึ้นมาถ้าเราไม่รู้พูดได้ไม่รู้พูดได้ไม่รู้พูดน้อยคำแสนคำหมื่นคำเพ่าะเราหดต่อสู้การกระทำคำเดียวไม่ได้ถ้าเราจะทำคำเดียวมันเป็นของจิตที่ผู้เห้ฟังนี้อันนี้เรียกว่ากับมัธฐานกันกนกมคือการกระทำฐานก็หมายถึงที่ตั้งของจิต กับมาทำนี่ปัจนาคือรู้ชนิดเนี่ยพิกระเทวดาปัญญาวิเศษปัจจนากระเทวดารู้แจง้งรู้จริงตางเกา่ราร่วงข่าวดึงอะไรจะมาหลอก ล, ลวงเราไม่ได้อันนี้ว่อรูท้ทำเห็นทำเข้าใจทำธรรมะจริงคือการทำการผู้สันคิดอีู่นิดเดียเครื่องหมายเราอยู่กับการเครื่อนไหวถ้าเรานียามการเคลื่องไหวเราผ่านั่งนิมิตเป็นที่นิมิตไ ม, ม่จิตเด็กจิ้น อาตมาเคยไปนั่งทำกรรมฐานเห็นผีนอนดูเห็นผีลุกขึ้นชอบทีลุกขึ้นโดยหน้าทุกซอกเนี่มันก็หายแตรู้สึกตัวก็หายผีก็หายไปเหนจริงเจอจริงมันไม่ไม่จริงมันมันรอเราเนี่บัญญัติถ้ามันเห็นมามันไม่จะเห็นไม่จะเห็นทาไมมันไป็ของไม่จริงอันที่เรากมันเรียจริงไม่จริงกาที่คุะได้เดีนี้เนี่ยจริงไม่เดีได้เดี๋ยวนี้เนี่ย่ ชือตายเยวนี้มันก็ได้เดียนี้ของจิตเอียงใตเอียงวัาได้เดียวนี้พุกเจ้ากำหนดรู้จมดไทยจําละมันละเองของคิดตัวนั้นนต้องจริญนทำบ่อยๆจะเรยต้องทาบ่อยนะ่นี่โลกถับใ้แจ้งนะีน่เลาต้องรู้คนคิดรู้เข้ารู้เข้ารู้เข้าหยดรู้แจ้งือกจักภาวะเดือปันนั้นทันอย่างนี่ค่คำพูดนน้อยนี่แมันมากแต่คนต้องปเรียนแต แปลอย่างนั้นเตลอย่างเกภาษานาอาจจะมาพูดดีจงดึงสำเวียส่วนบางควนฟังอาจจะไม่รู้บางทีเราปภาษาไทยให้เป็นจนภาษาอีกนดีอันนี้เป็นของง่ายที่จะมาพูดนี่ยนะครมันเห็นสภาพวิภาวะของขอจริงจริงควรจิงเนี่ยโลหลงเนี่ยหลวงพระเนี่ยโมหะโคสต์สามอย่างนี้ เราไม่จ้องตามทั้งหมดเลยแเรจะทำยังไงมันก็มาทำคุรู้สึกทีหน่คุครู้สึกแล้วมองหาไปที่ไหนเอาเราจะทำรูอทำทำคนหงขึนานอเอ้าทาตรงนันมันจะหลงมันไม่มีนทัขึ้นไม่ได้ยังที่เรา้องดูที่รู้สั่งาจามาหุ่นมั น, น, ไ, นไม่คเอาสมมตร้นมาดูสิเอาสมมิถ้าเราควขึ้นม า, านม ไ, ไม่ควรขึนไหนหน่าเนี่ยดูเอาเราักเอาขอ่วที่ ไม่ใเราไปเอารึเนี่ยเอาเอาซะมันเอาไม่ได้เนีเพราะว่ามันไม่มีต้นเีินผลลายน้ำตอนนี้คุณผู้สืบมีไหมมีกรรมมีรู้เขาสื่อว่ามีไม่ใช่ใช่มปัญญามีไม่มีอันที่เราทาได้สื่อนั้นมันถัดไม่ได้มันไม่มีดังนั้นพระพุทเจ้าท่านสอนที่มีจริงให้คนมีปัญญาไปให้กับสีอวิทย์ที่จริงจริงนั่นเป็นหน้าที่เราทำได้อย่างที่อากจะมาพูที่ทได จะไม่เหมนกับที่อย่างที่ทำมาแล้วอย่างที่ทำมาแล้วอาจจรมาแม่มาพูดอย่างที่พูดภาวนาหาใจเข้าพูดหใจออกโอาจามาเขาเยทมาดีก็ดีเรียกขอบคุณเ้ามาไว้ที่หัวใจของเราก็ดีแต่อบเจ้าจะามาไว้หัวใจเราได้ไหมมือเจ้าแล้วเขมีเตแล้วนี่เรามีสงตาแล้วนี่เอามาใส่ตาได้ไหมไม่ได้หัวหัเอามาใส่ซีติหไม่ได้ มันมีสาเหตุสาเหตันนั่นเองทุกคนที่บรรจุลงคอดีแล้วเหมือนกับกินข้าวนี่เองบรรจุลงไปในกระพาะและคอดีกับคอดีเท่านั้นเองอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราศึกษาที่จของเราะมันจบขึ้นได้มันจบขึ้นได้คนโวราณท่านสอนเอาว่าต่องศอกนาวาห น, นาขึ้นมืพอพร้อมแล้วถ้าเราศึกษาได้ทุกอย่างนี่เราไม่ศึกษาที่ตรงนี้ แล้วก็ไปศึษาในตวัสษาไปจำในตวัสษาแล้วก็ไปสอนกันเรืร่องตวรัสษาไม่ไ้สอนสองจริงอาตมาพูดให้กล้าพูดได้อลองดูนะวันนี้ถ้าใครมีสามีภรรย า, า, า, า, าไปที่บ้านนะเกลียก่ตัวลรดูใจเราพอมีคนนั้นโพว้เราจะต้ดูคนนั้นเดตตาดูคนนั้นใจจงดช่ใจ ดะปีคุนใจเลยไม่จะโกรธข้นโกรธขึ้นไม่ได้ะนะค็คิดถึงออเ ข, ข, ขาทุกแต่เขาไม่รู้จะว่าเขาทุกเขาจึอยู่ด้ทุกกินด้วยทุกนั่งนอนด้วยทุกเขาต้องดูด้วยทุกท ก, กินด้วยทุกนั่งนอนด้วยทุกจะว่าไรเขารียกว่าสตาิรักษาหน้าสงสารหน้าให้อภัยแกเขาเ ข, า, ขาไม่รู้เนี่ยทนสออย่างแต่เราพอดีว้านมีภรราเขาโกขึ้นมาแล้วก็โกรธตอบเขาเนี่ยย่าง เราท็ไมรู้จักทุสอนทางเลยจะไปสอนใครไปเนี่ยอย่ากลัวอ้าวโยจะลงโกอยู่แล้วนี่มันยังมีปัญหาอะไรนะที่พูดให้ฟังทั้งทั้งทุกท่านติกษามราเรียนมากๆอาจจะมาพอเขียนหนูไม่เต็มเขาพูให้ฟังแล้วอ่านไม่รู้ไม่ได้จะทำไมรู้จักนี้ได้ก็มันเป็นเราก็ทำอะไรมาต้องหมดทางกิจกรรต้องหมด กำมือเย็นมืรู้ได้อทีแรกว่าไม่รู้เลยเราก็รู้ธรรมนากบมือนี่รู้แต่เรากำมือนิ่งมันเนี่ยมันก็รู้จชกอันนี้มันเป็นรู้รู้กำน้ำเนี่ยกันแม้แต่พระพุทธเจ้าที่มคสอนให้รู้จับลูกนามลูกทำน้ำทำลูกโลกนามโลกคุกขังอนิจจังนิพพาสมมตินแลวก็รู้จักศาสนาเพทศาสนาให้รู้จักบาปรู้จับุอันนี้เป็นขั้นต้นพื้นฐานตองู ต้องใชสติปัญญาให้รู้มื่อรู้ว่า น, นี้เราก็ต้องพยายามดูจิตใจที่มันนึกมันคิดขึ้นมาจิตใจมันคิดล้วก็ต้องเห็นตง้งรู้เพอาะทีมันรู้เราก็กลับคืนมาอยู่กับทางเคลื่อนไหวมันคิดด้วยหน้าขึ้นมาเราก็กลับมาอยู่ทางนี้คันท่านเราไปอยู่ข้างนั้นเราจะงข้าขานถูกปรุงไปเขาว่าเรียกวาตังฐาน สังขารจะตูนนั่นแหละเมื่อเราถอมาอยู่ทางนีมนามาาน้มันก็เลยไม่ปูนมัเลยไมได้เคลีบสังขารเราอยู่เคลียบะวาดยึดสังขารเข้ามาอย่างนั้ น, นยิงยานเราวรู้ถ้าเราตัามีตาจะรู้ไหมรูม้ก็ต้องมีตาที่หนึ่งรู้ไม่มีหูจะรู้ไหมหก็ไม่รู้ถืคนมีตาเจาตาหมดมันจะรู้ไหมตาหมนกิญญาสิบึ่งคนมีหูจะมีหูออกแคมนมดปญญาสิ่งที่เรารู้ไม่ได้เวลาหมดิ จำหัวข้อประเด็นสั้นๆของแม่ยิพักหนึ่งคือให้เรารู้สึกตัวกลับไปบ้านเนี่ยถ้าเรามีสามีก็ดีมีพันญาก็ดีมีลูกที่ลังก็ดีพอดีไปถึงบางเขาจะพูดเองอ่ะว่าทำอย่างนั้นเราจะไปดูเขาอมูลตาดูเพ่ให้เรารู้สึกใจให้เรารู้สึกจริงถ้าเราไม่รู้เราเขาจะพยายามออกมือตักตัวนี้ก็ได้ตักเนี่ย บางทีมันจะเก็บเก็บแมันจะดะูถ้าคนมาเข้ามาดูตรงนี้เอ๊ะหพอจัเพราว่าดูในะจนะถ้าดูใจเรามันจะคิดอย่างไรตินใจมีวิธีง่ายๆฉลามบ่อยๆควรทำนานจะเกิดขึ้นมีสติขเขียนหนังสือที่เรกเขียนคอไกยเนี่ยนานลันนี่ยังเป็นสามสีาวันจจะเป็ี่ยนวันนี้พอจะเขียนอไกย์ใ้สวยนามจะต้องเปลียนเตือบางทีเราทับอ่างนี้ทำบ่อยๆเนี่ยทีแรกมันจะรั่น้อย ถ้าไม่รอสั้นลูกเขาดูเขาไม่จ้องทำอะไรก็ได้เพราะมันคิดจะจ้องลูกสันที